ต่อนะครับเมื่อกีนะถึงหน้าร้อยหกสิบห้านะครับนี้มาดูอนาบัตในศิคาบนี้นะครับอนาบัตเป็นยังไงถ้าบอกว่าเป็นภูตคามและพิชคามสองเขาไม่ใช่นะครับอันนี้เราเข้าใจผิวว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ภูตคามพิชคาบุกแล้วไม่ขึ้นแ้วนะอันนี้แล้วก็ไป้าไปอะไรไม่ต้องอาบัตนะครับที่สูงบ่าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัต และพิสุจไม่ต้องอาบัตเมื่อพร่าดโดยไม่ได้แกล้งไม่ได้ตั้งใจเนะียใช่ว่าอะไรให้ตัวอย่างเวลาหานวัตกรรมก่อสร้างกลิ้งหินกลิ้งอะไรไปนะครับมันก็ไปโดนพวกนี้ตายหรือว่าเดินไปนะเดินไปในเหยี่ยมนะครับพวกต้นไม้ใบายันต์เล็นะครับมันแตกหักขานในนี้นะหรือว่าโดยบยัน์ไม่ท้านะก็ไปโดนามันแตกหักนะครับนี่นะ อันนี้ก็ไม่ต้องทำบัตรไม่มีสตินะครับไม่มีสติยังไงส่งใจไปอื่นนะครับมือก็โอ้ยถอนต้นหญ้าเด็ดเนะตอนนี้นะใจก็ร้อยไปเรื่อยครับเด็ดไปนี้ไม่เป็นไรหรือว่าไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าการทําอย่างนี้แหละเป็นการทําลายนะปู่ตาหาอย่างเช่นไรครับข้างไปยกตัวอย่างมาเช่นพ่สูจจะเก็บอุปรกรณ์นะเก็บจอเก็บเสียงเป็นต้นนะ ถ้าเาตั้งจะได้เก็บจอกเปเสียมนะครับแต่ว่ามีต้นหญ้าอยู่ด้วยไม่ได้คิดว่าการทำแบบนี้น่ะมันมีการใส่เสียงไปแล้วต้นหญ้าอยู่น่ะต้นหญ้ามันจะตามมันจะขาใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ใส่ตรงนั้นน่าคิดแต่ว่าเก็บหญ้าเก็บเกีเก่ยวประกอบเฉยแต่มันก็ไปโดยพน้นน้ำตายนะครับหรือว่าขาอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ต้องเราบาดนะครับครับ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่อันนั้นคือผิดครับไม่รู้คือไม่รู้ว่าการทําอย่างนี้แหละเป็นการทํำลายต้นหญ้าครับไม่ใช่หมายถึงไม่รู้พระบัญญัตินะครับอันนี้ไม่ต้องทําบัตรนะครับเ อ, อไม่ได้กำหนดว่าเป็นต้นไม้นี้กล่าวแต่เพียงว่าจองตัดต้นไม้ไม่ใช่ตัดจางนะจงครับเน่นจองตัดต้นไม้ครับต้นไหนของนุ้พี่ กับยากตรน้นนี่นะเราเปลี่ยนาพูจงตัดถาวันเป็นต้นนี้ได้ไม่กำหนดนะครับหรือกล่าวว่าจงรู้ดอกไม้นี้เนี่ยถ้าต้องการดอกไม้บูชาใช่ไหมเน่นจงรู้ดอกไม้นี้นะครับผลไม้อะไรนะผลไม้นี้จงรู้ผลไม้นี้จงให้พืช น, นี้จงนํำพืชชนิด น, นี้มาให้เราต้องการพืชนี้นะครับ ท่านจงทําพืช น, นี้ให้เป็นกระปพียะสมควรนะครับที่นิยมใช้กันนี้ให้กระเพียะนะอ้าช้อนกระเพียะผลไม้หน่อย <c oughs> นี้กระเพียะยะนะนี้กระเพียะอาหารนี่กใช้ได้เป็นไรแล้วก็ทําพืชให้เป็นของสมควรก่อนฉันต่อไปนี้น่พูดถึเงเรื่องเกี่ยวกับกระเพียะนะครับทำยังไงนะก็พื่อที่ถูกพลาดจากภูตคาม ด้วยคำสมควรอย่างนั้นแล้วเต้องให้อนุปสัมบัติทาเป็นของสมควรอีกนะครับเพราะเป็นปิจัานที่ไหมอยังปลกอะไรขึ้นนะครับก่อนว่ากปียังกับโรหิจงทําให้สมควรคำพูดนี้นะครับภาษาไทยก็ได้นะดังนี้ก่อนจึงค่อยบริพ่องนะครับด้วยว่าเมื่อทําอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นการเพื่อจากการต้องอาบัต พ่อภาคพิชคานะครับเมื่อให้ในกะเปียะกะเปียงกะโรฮีจงทำให้สมควรนะครับมนกันนะพวกนี้ไม่ได้เป็นกรรมวาจาเขาใช้ภาษาไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรเนื้อความเดียวกันนะใจความเหมือนกันนะครับจะเปื้องจากการต้อนแบบพ่อภาค พ, พิชชาและเมื่อนุบสัมบัน์จะทำกะเปียะควรทำด้วยไฟ คือว่าถูที่ใช้ทํากับปิย่งนะครับก็มีทําด้วยไฟด้วยแร่แล้วก็ด้วยสัตตานะครับสัตานอาวุธของมีคมนี่นะเมื่อทําด้วยไฟควรเอาไฟอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเอาท่อนฟืีมเลยนะที่เขาเผานล้วไฟตินนะเป็นถ่านแล้วแต่นะครับจี้ไปเลยจี้ที่ใดที่หนึ่งพร้อมกล่าวว่ากัะปิยง่งเฉยๆก็ได้สมควรนิยมนิยมกล่าวว่ากัะปิยง่งพันเตสมควรแล้วครับ เนี่ยก็จะนิยมพูดอย่างนี้นะครับเมื่อทําด้วยมีดนะครับเอาปลายหรือคมของมีดชนิดใดชนิดหนึ่งที่รับคมมาอย่างดีนะครับปลายด้านไหนก็แล้วแต่นะมีดเล็กมีดใหญ่อะไรก็ได้วแต่นนะครับโดยที่สุดแม้จะเป็นเข็มเนี่ยแม้แต่เข็มก็ได้นะหรือมีดต่างแหลกเป็นต้นก็ได้นะครับขอเป็นของมีคมก็แล้วกันทีนี้นะถ้าก็สมความว่าไอ้ซ่อมนะ ซ่อมได้แม่แหลมแหลมถ้ามันคมหน่อยก็ใช้ได้นะครับอืมแต่ว่าถ้าเป็นไม้จิ้มฟันนั้นไม่ได้นะมันไม่ได้เข้าพวกสัตตาอันนั้นเป็นไม้นะครับมันเป็นไม้ไม่ใช่ได้เหล็กไนสัตาอย่างเงี้ยนะไม่ได้ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยแม้แต่เข็มก็ได้นะครับผ่าแล้วผ่าอะไรหรือเจาะทํากับยานะแบบเดียวกับที่ทําด้วยไฟแล้วทาด้วยไฟเราจะเอาไฟแชกนน ฟูมันไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะมอไฟแช็ตลองฟูกับปิยังพันเต้แล้วก็ปิดมันไม่ได้เข้าอะไรอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเข้าไฟที่มันร้อนๆใช่ไหมดุนฟืนแล้วก็มันจีมันมีการเข้าไปในนั้นด้วยนะครับอืจีนี้มีการกับปิยานะที น, นี้นะครับเ <c oughs> มื่อจะทํำด้วยและไม่ให้ใช้และวัวและควายเป็นต้นคาโมจะดูไม่ดีนะคือแรืงของพวสัตว์พวกนี้เป็นยังไง มันไม่คมใช่ไหมครับมันไม่คมมี่ที่ถือนะไม่คมนะครับอ น, นี้แต่ถ้าเป็นเล็บเหยียวนะคมแน่นอนนะเล็บเหยียดแล็บของสัตว์ที่แบบคมคมหน่อยนะครับอันนี้เ อ, อควรทำด้วยเล็บของมนุษย์เล็บมนุษย์เหนียดได้นะครับหรือสิริฉานที่คมนะเล็บที่คมที่ไม่น่มานนะมือนะครับถ้าเน่าก็สกปรกนะอย่าไปทำนะครับไม่ได้ใช้เน่าไม่ได้ยิ่้สุดแม้แล็บที่เขาต่าง น, นะครับ ก็นํามาใช้ได้มันที่มีท่อเล็บเหี่ยวที่ไม่เ่าล่าเหี่ยวไม่ได้แล้วก็เอาเล็บเอากลองอะไรมานะครับนี่ก็มาทํากับวพียได้นะเท่ากับเิยะตามวิธีที่ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องของมีนะครับเหมือนกันแทงไว้แล้วก็พูดนะครับบรรดานพืชเป็นต้นหล่านั้นถ้าแม้ว่าพืชกองเท่าภูเขาเกาก็มากองรวมไว้ทีเดียวเลยนะนี่นันก็พูดถึงเฉยๆนะครับถ้ามันเยอะขนาดนั้นน่ะก็ดี ต้นไม้หลายพันต้นนะครับที่ถูกตัดทําให้เป็นกองเดียกันก็ดีรวมไปทีเดียวนะอ้อยมันใหญ่นะครับที่เขามัดรวมกันไว้ก็ดีเมื่อทําที่พืชชนิดหนึ่งนะครับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งหรืออ้อยเหล่ามือให้เป็นกับปิ้ย่างแล้วถือว่าได้ทํากับปิ้ย่างแล้วทั้งหมดนะครับวอ้นี่มายาแล้วเข้าใจกันหมดแล้วใช่ไหมมันติดการทําแด่เาหนึ่งมันก็ได้ชื่อว่าทําทั้งหมดนั่นแหละนะครับ อนุปะสัมบันแทงฟืนที่มัดไว้รวมกันกับพืชเอพืชอื่นมีอ้อยเป็นต้นด้วยตั้งใจว่าจะทําอ้อยเป็นกัะปิยะอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ้อยกับฟืนมัดรวมกันนะฟืนด้วยนี้มันแล้วก็แทงที่ฟืนก็ได้นะนี้เนเนทํานะตั้งใจว่าจะทําอ้อยเป็นกัะปิยะแต่ถ้าเป็นของที่ผงมัดด้วยเชือกหรือเทาด้วยเถาวันใด จะแทงเชื่อหรือถาวันนั้นไม่ควรนะครับเราเอาลำอ้อยใช่ไหมแล้วก็เชือกมัดเทาวันมัดเรามาแทงที่อ้อยหรือเท้าวันด้วยตั้งเจ้าจะทํากับเปียะอ้อยนี้ทําไม่ขึ้นนะเพราะอ้อยเทาวันเน่ะที่มันม่นดจาับเป็นภาชนะนะครับไม่ได้เป็นของที่เนี่ยพวกอ้อยนะเชื่วยเจ้าจเป็นภาชนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นฟืนที่มันมัดรวอกับอ้อยได้นะครับอันนี้เอาไม่ควรนะอย่างนั้นครับทีนี้ พวกทายกนำข้าวปนกับพริกสุกนะครับเป็นต้นมาถวายเมื่อพิสูจน์บอกให้ทําเป็นกะปิยะทําไมพูดถึงพริกสุกด้วยครับเพราะว่าไม่ใช่พริกที่จะไปคั่วแล้วนะถ้าไปคั่วแล้วสบายม่มีปัญหาหรอกที่พูดถึงพริกสุกเว่าถ้ามีพริกสุกเน่ะมันยังปลกขึ้นใช่ไหมครับถ้าพริกหนุ่มพริกอ่อนปลกไม่ขึ้นใช่ไหมครับพริกอ่อนไม่ขึ้นนะจะพูดถึงพริกสุกนะครับ เมื่อพิสูจบอกให้ทํากับเป็เปนกัปปิยะแม้ถ้าเขาแทงที่มเมล็ดข้าสวยพอมาอยู่รวมกันเนี่ยรวยไปในขาใช่ไหมเขาแทงแทงที่ข้านะครับก็สมควรก็ชื่อว่าได้แทงนะครับทํากับปิย ะ, มะเมล็ดพลิกแล้วเหมือนกันนะครับแม้ในมเมล็ดงานและเข้าสารเป็นต้นก็มีในนี่เหมือนกันไม่แม้รากก็เหมือนกันะ่ะแล้วก็ผลไม้อะไรสายเข้าไปใช่ไหมแล้วพันเตเข้าอะไรนะชอน อะไรนะเอาโสมใช่ไหมวางลงไปแล้วก็ในกับปพียชโสมเนะครับก็ได้อาหารนั้นนะก็ได้ชื่อว่ากับปพียไม่แมนรักไปด้วยพออไปใส่รวมกันนี่นะครับเพราะแมนรักมันทงไทยเมื่อโซลูมานะเล็กนะครั บ, อลอรบแล้วก็อย่างอื่นไปวางไว้ก่อนแล้วก็แทงตรงนั้นนะครับแต่พริกสุกเป็นต้นที่เขาใส่ลงไปในข้าวต้ม น, นะครับในข้าวต้มใส่ใส่พริกนะ่เนี่ยไม่เป็นของตั้งอยู่เนื่องไปอันเดียวกันเพราะว่า ข้าต้มมันจะเป็นข้าที่มีน้าเยอะใช่ไหมใสงเข้าไปแล้วก็มันมันไม่ติดเนื้อกันกนะครับมันลอยอยู่นะเนีย่ยเพิ่งเป็นต้นนั้นต้องแทงทีละเมล็ดนะครับทําเป็นกะเพราะตัดอ้อจะง่ายกว่า <c oughs> <c oughs> คือหมายว่าถ้าจะทำเป็นกะเพราะต้องแทงทีละเมล็ดนะถึงจะเป็นกะเพราะได้หรือไม่งั้นก็ตักออกไปเลยนะครับตักพริกนะตักพริกเลยก็ไม่ฉันแล้วพเผ็ด น, นะอาหารร้อนนะครับไม่ได้ เยื่อในแห่งผลมะขุ่เป็นต้นล่อนเปลือกแล้วคลอนอยู่หลุดจกักกราผมมะขุ่ใครเห็นไหมครับยมภูมิเล่เอามานะใครทันเห็นบ้างผลมะขี่นะครับนะมันจะมีนะครับไอเปลือกมันแข็งมากข้างนอกใช่ไหมแล้วก็เนื้อมันอยู่ข้างในนะครับถ้าว่าถ้าเนื้อข้างในมันมันล่อนออกจากเปลือกแล้วนะคลอนอยู่ข้างในนะขาเย้าหน้าเห็นไหครั บ, ห, รบหลุดจากกระานะคลอนอยู่ข้างใน อ, อั น, นนี้นั่นเราจะมาทํากับปิยะตรงไอ้ลูกมันใช่ไหมมันไม่เข้าไปถึงเนื้อด้วยนะครับไม่ได้คิดว่ากับปิยะมันเล่นได้ไหมนะเพราะว่ามันคลอนจะเปลือกแล้วต้องทำทุบก่อนต้องให้ทุบก่อนนะครับแล้วค่อยทํากับปิยะนะทุบก่อนแล้วก็ทำปิปิยะพราะมันเล่นมันก็อยู่ตรงเนื้อข้างในนะทุบกก่อนแล้วก็ปิยะข้างในนะถึงใช้ได้นะอันนี้นะครับหางเนื้อยังติดเนื่องอยู่กับเปลือกนะครับเนื้อกับเปลือกก็ติดกันยังไม่คอนใช่ไหม ยังไม่ร่อนจะทํากับปิญาะที่เปลือกก็ควรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเป็นแม้แต่เป็นเปลือกต้นไม้นะครับที่มันติดอยู่กับต้นไม้เลยถ้าจะไปดึงออกไปถอดออกเนี่ไม่ได้หนะก็ถือว่าเป็นการทําลายคุณธรมเหมือนกันนอกจากว่าเปลือกไม้ของนั้นนะครับมันร่อนมาจากต้นแล้วแต่ไม่ยังเปลียนแต่มันยังห้อยมันเกาะเฉยๆนะไม่ได้ติดนี่กับต้นแล้วอย่างนั้นเอาออกได้เป็นไรถือว่าหนุดแล้ว อันที่มันยังไม่หลุดจากต้นนะครับถึงมันเป็นเปลือกเปลือกไม้มันอย่างมาอันใหญ่ใช่ไหมต้นไม้เนี่ยมันจะมีเปลือกแข็งนะครับแล้วก็เป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนกันนะถ้ามันติดกับต้นยังไม่ได้ออกมางั้นไม่ได้นะครับนั่นทีนี้แม้แต่ว่าอันนี้ผมพูดเสริมไปเลยนะการเอาเอาอะไรไปสลักที่ต้นไม้นะครับสลักข้อความที่ต้นไม้เราก็ต้องขูดต้องขีดใช่ไหมครับนั่นแหละ ว่าทั้งนั้นนะครับเป็นภาพุธคาหมดเลยนะถึง no to ไม่ได้ต <Alberto. S 2> own ัดต้นไม้แต่ไปทาลายไปขขีดอย่างเง้่อันนั้นก็ไม่ได้ภาพุธคาหมดเลยส่วนผลไม้ใดนะครับอย่างอ่อนๆไม่มีเมล็ดหรืมเล็ดมันอ่อนมากเลยเช่นไรนะไอ้พวกแตงกวาอย่างงี้น่ะแม็อ่อนอยงเงี้ก็มันขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเอ้ยปัญหานะเม็ดที่อ่อนปัญหา และผลไม้ใดเช่นลูกมะม่มวงและขนุนเป็นต้นที่สามารถจะแกะเมล็ดออกได้คำนียว่าปลอมเมล็ดออกได้นะครับในเวลาฉันปลอมเมล็ดออกก่อนจึงค่อยฉันกลืนนะครับปลอมเมล็ดก่อนนะครับแล้วก็ฉันนะเนื้อในกับปิยะทีเดียวหรือเราก็ไม่ได้ปลอมเมล็ดแหละแต่เราตัดเอาแต่เนื้องไงอมเมล็ดเราแล้วก็ไม่ทำลายนะครับแล้วก็ออกไปอย่างนี้ถ้ามะม่วงอะไรอย่างไง มันจะป้อมเลยมันป้อมไม่ได้มันต้องเอามีดมาป่านเนื้อออกใช่ไหมแล้วก็เอาเเม็ดออกไปนะครับถ้าเป็นขนมนิชชันนะเอเม็ดออกแล้วก็ฉันเนื้อนะครับได้กินคือการทํากับเปียนในผลไม้นั้นแล้ผลไม้ที่สามารถแก่งเม็ดออกได้นั้นไม่มี <c oughs> <ๆ>มายึงผลไม้ผลไม้ที่แม่อ่อนๆนะผลไม้ที่ยังอ่อนแล้วก็ที่ที่อะไรนะแกะเล็ดออกได้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกับเปียกอะไร องอามบัตนะครับสิขาบท น, นี้มีองสามคือหนึ่งเป็นผุ้ตคการสองรู้ว่าเป็นผุ้ตคการลองใส่ใจองค์ที่สองนะครับถ้ามอกว่ารู้แล้วต้องต้องรู้นะคะับอันนี้ถ้าสงสัยเป็นทุกข์กอดใช่ไหมท่านพอใจผิดว่าไม่ใช่ผุ้ตคการเนี่ยไม่ต้องอบัตต้องรู้ท้องรู้นะอนี้นะสามพลาดเองหรือใช้ให้คนอื่นพลาดได้นะครับเมื่อครบองสามนี้ก็ต้องบัดไปตีในสิกขาบท น, นี้นะครับ สมุทฐานเป็นต้นเป็นเหมือนกับในปฐวีคณะสิกาบทนั่นแหละนะครับก็คือสมุทฐานสามเลยนะครับมือนกับอธนานทานสิกาบทนะ่ะคืออะไรครับสมุทฐานสามต้องมีจิตอย่างเดียว จ, จิตกายวาจาจิตนะครับสัญเป็นกิริยาต้องประกาศธรรมสัญญาพิโมกต้องรู้ทั้งรู้นะอภพณ์หน้าเขาไม่รูนะสัจจัตการ ปณติวัชาังไม่ได้เป็นบบอคุสมันสิ่งใหญ่นี้นะปณติวัชชังนะครับการยกรรมก็ไน้วจีกรรมก็ได้ทอใช้ก็เป็นมีนจิตสามเวทนาสามดังนี้เละครับผมเขียนว่าแต่ไครน้ำเกิดในหม้อน้ำสามารถพลาดล้าลองออกได้ไม่เป็นอาบัตินะครับจบ ก, การอธิบายภูตคาสิกขาบท น, นะนะดีเยี่ยมไว้นิดนึงเกี่ยวกับพืชนะครับที่พูดถึว่าพืชบางอย่างมันเกิดในน้ำนะถ้าพืชที่เกิดมันบอกเราไม่สงสัยหรอก ไปดึงไปถอนไปเด็ดออกมาเลยใช่ไหมแต่พืชบางอย่างมันเกิดในน้าเช้นสาหลายนะครับอันพืชที่เกิดในน้ำท่านบอกว่าน้ำอะไะเป็นฐานของมันสาลายบางอย่างมันลอยอยูกันน้ําใช่ไหมมันไม่ได้ปังล่างลงไปที่ไหนนะครับแต่มันไม่ตายนะมันลอยค่อยๆไปตายกับแสน้ําเนี่ยอันน้ำเนี่ยนะครับเป็นฐานของมันเราไปย่กมันออกมาเลยถือว่าแพลามันแล้วนะเป็นนามบัตได้นะครับถ้าจะยกคือยกออกมาท้างน้ํานะครับกล่องมาทั้งน้ําอย่างนี้นะ ไม่เป็นอาบัติถ้าเราจะแหวมนมันออกข้างงนี้นะไม่เป็นไรนะครับมนันในยกถ้ายกออกมาเลยไม่มีน้ําติด ม, มาด้วยนี้ ไ, ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําะไะเป็นฐานของพืชที่มันอาศัยน้ําที่มันเกิดในน้นะํานะนี่นะครับถ้าแหวนมันติดขึ้นมาบนหัวอ๋อไม่ติดน้ำเป็นไรครับไม่ติดน้ำเป็นไ ร, นรถ้าตั้งใจนี่ก็ไม่ได้นะครับ อั น, นจะเสริมได้ตรงนี้เอาเฉพาะที่นั้นทองนะก็เสริมไหลายที่นะคะอันนี้นะมันเล็ดไอพวกตาบมะพร้าวนี่ก็ว่าไปแล้วเมื่อกี้นะพก็บอกว่านะไอตาบมะพร้าว น, นะครับล่างแห่งเล็ตาทั้งหลายงอกทีแรกเมื่อเคี้ยวสุกอล่างหรือว่าหนอมนะที่งอเมื่อเคี้ยวสกอตแม้เมัองอกออกแล้วก็ยังจัดเป็นพิจคาเหมือนกันนะครับ ตลอดเวลาที่ม้วนกิ่งใบข้างบนยังไม่ขี้ออกหน่อทะลุนะครับเปลือกมะพร้าวออกมาเหมือนไม้สลักเนี่ยทะลุออกมอาใชไหมเหมือนกับไม้ไ น, นะก็จัดเป็นพิจารณาด้นั่นเองยังไม่ใช่ภูนะครับตลอดเวลาที่ม้วนกิ่งใบเขียวคล้ายกับเขาเมาล็ดข้ายยังไม่มีนี่นะแม้เมื่อล่างยังไม่ออกนะกิ่งใบเช่นนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ถึงการสงมคบข้อในภูตคาที่ไม่มีล่ เกลินใบออกมาใช่ไหมอันนี้นะครับต้องอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็พวกรู้จักฝอยทองนะครับที่มันคุมต้นไม้นะ่ะนั่นนะเท้าวันชนิดหนึ่งไม่มีรากนะครับย่อมพัน์พุ่มไม้ป่าและท่อนไม้ดูวงแหวนคือฝอยทองมันไปคุมไปเกิดทดี่ต้นไม้ไหนนะะ่ะต้นไม้ถทำไม่เหีะะ่ยวเฉาครับมันจะดูดซับายจายต้นไม้นั้นใช่ไหมอ่ใช่นะครับ ใบเหี่ยวเช้าไปเลยนะอีแม้เช้าวันนั้นก็มีวุฒิช้ยเหมือนกันนะครับเอ่เหมือนกันเนี่ไปดึงมันออกมานะอปดึงมามาจาก้อนมันจากต้นไม้นะก็ไม่ได้ประยุตินะครับอือันนี้ยพอ่อท่านพูดนี่ก่อนนะ บ, บอกว่ากล้าหรือลูกกระชากอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีเกิดที่ต้นไม้แล้วคลุมอกต้นไม้น่ะไอ้พวกอะไรน่ะ อะไรอะไรนะกาฝังนะครับหรือว่าอะไรที่มันปลูกกันเนะี่ยก้วยไม้นะครับและหลายอย่างนะบางอย่างมันเป็นต้นไม้ที่มันเป็นใบเขียวใบใหญ่นันใช่ไหมครับผมเรียกไม่ถูกนะมันจะเกาะต้นไม้อยู่แล้วพวกนั้นนะอันนี้ต้นไม้นั่นแหละเป็นฐานของก้านเป็นต้นนะครับพิสุจน์างก้านเป็นต้นนั้นก็ดีถอนขึ้นจากต้นไม้ก็ดีเป็นปาดีตี แม่ฝอยท้องเมื่อกี้เหมือนนดึงมาจากต้นไม้อะไรนี้ถ้ารู้ไปตัดมันเนี่ยก็ไปจีิงเหมือนกันเนี่ยนะตัวอันตะไข่น้ำว่าและเห็ดนี่ก็ว่าไปแล้วอันนี้สลับตัวสอนที่ต้นไม้ว่าไแล้วมาดูสุดท้ายเลยนะครับมาดสุดท้า ย, ยนี่กว่าขิงเนี่ยก็พุ่มหมนแล้ว้น แ, แล้วก็อันนี้หน่อยนะครับเกี่ยวกับการเอาอะไรนะเอาอะไรไปมัดไปที่ต้นไม้นะครับเอย่าเช่เอาเชื่ยวไปมัดต้นไม้เนี่ย พอมันแน่นแน่นแล้วนานไปเนี่ยไอเชื้อมันจะรัดต้นไม้เป็นรอยนะครับดังั้นมิสูรก็ไม่ควรทํำนะเราทำไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ในทําก็แล้วกันแต่อย่าบอกให้แกรัดแน่นเกินนะเพราะมันมีการทําลายต้นไม้เหมือนกันนะครับถ้ายิ่งเอานวกเอาระไปมัด น, นี้นะยิ่งหนักเลยนะครับไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยท่านก็มีพูดถึงว่านะครับหุ่นยนต์นะอันี้หุ่นยนต์เป็นยังไง <c oughs> อ่าก็ถ้าว่าหุ่นยนต์มแมลงมุมเป็นแต่เพียงติีที่ต้นไม้เท่านั้นไม่บีรบรากต้นไม้นะครับหุ่นยนต์มแมลงมุมเนี่ยมันมีหนามมีอะไรนะเข้าไปผูกไว้ที่ต้นไม้เพื่อกันขโมยขึ้นนะครับสมัยเขามีนะนะหุ่นยนต์มแมลงมุมนะครับมันก็เป็นมแมลงมุมอะไรเนรี่ยเข้าไปผูกต้นไม้ไว้แต่มันจะมีหนามมีอะไรโจขึ้นมาขโมยไม่ได้นะครับ หรือมินต้นอะไรมะม่วงอะไรอย่างงี้ยต้องงารกันโจรครับแต่ว่าไม่หมิ่นรัดต้นไม้น่าควรอยู่นะครับแต่จะไปรัดให้แน่นจนรัดต้นไม้นี้ไม่ได้นับอันนี้ได้ไม่เป็นอะไรต่อไปสุดท้ายอะไเกี่ยวกับพิสูุนนะครับอันนี้ท่านกล่าวว่านะครับถ้าพิสูจถูกต้นไม้ค้นทับนะครับต้นไม้ล้มทับเราแต่ยังไม่ตายนะ หรือตกลงไปในหลุมนะครับและอาจเพื่อจะตัดต้นไม้นะพระก็มีมีอยู่ในมือใช่ไหมสามารถหยิบฟันต้นไม้แล้วก็ออกหลุดอ อ, อมาได้นะครับหรือว่ากลิ้งต้นไม้นั้นไปเสียหรือขุดแผ่นดินและออกมาได้สามารถทํานี้ได้นะพิสูจไม่ควรจะกระทําด้วยตนเองแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเนะครับยอมตายนะครับยอมตาย้็เถอะ อยู่ในหลุมนะหรือต้นไม้เท่าตายงั้นนะครับแต่ยังไปตัดยังไม่ขุดดินนะครับอย่างนี้เลยแต่พิสูจอื่นนะครับจะขุดพื้นดินก็ดีหรือตัดต้นไม้หรือว่าตัดท่อนไม้จากต้นไม้สดงั้นต้นไม้นะั้นไปแล้วให้พิสูจนนั้นออกมาควรอยู่ไม่เป็นอาบัตนะครับ <S <S แต่พิสูจนมันตัดให้เราได้นะก็แปลเหมือนกันนะเหตุนในเขานะั้นไม่ปรากฏ ท่านก็บอกว่าไม่ไม่มีเหตุเหตุผลแล้วก็ไม่ได้อธิบายไว้นะครับไม่ปรากฏเลยนะมันก็ปรากรแต่ในสูตรที่รพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนไม่สูตรทั้งหลายเราระถามคดอนุ ญ, ญาตให้จุดไฟรับไฟต้านไฟในี่ภาษาวิญญาณปตะขี้นะครับไฟต้านนะนนะอันนี้ได้ให้ทําการป้องกันในเมื่อไฟป่ากําลังไหมมาดังนี้ถ้าว่านะมีแตในสูตรเนี่ยนะ แต่สู่เกี่ยวการพวกอะไรตัดต้นหญ้าอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับอถ้าว่าการขุดดินเป็นต้นจะนุ่งลมเข้าสู่นี้ได้ก็ไม่อาจได้เหตุแตกต่างกันนี้ว่าเพื่อตนไม่ควรเพื่อผูมิควรอันนี้ไม่มีอะไรนะเอาไปมาถ้าก็ยังหาเหตุผลไม่เจอนะครับแต่ว่านะครับแต่พ่อขามินท่างกล่าวแม่ น, น, นแดนตกะกั่หาทุ่งแห่งเลยนะพู่มเหมือนกัน ว่าคืณทำให้เราได้เราทับเองไม่ได้จึงไม่อาจาเพื่อจะค้าได้นะครับก็ต้องอย่างนี้เพื่อนว่านะข้อนี้ก็จบเ้าจบที่ต่อไปแล้วข้อต่อไป